คำว่าชาติเนี่ยในตำราแปลว่าความได้มาซึ่งอายตนะความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาอย่างไรหมายถึงไปหยิบฉวยมานั่นแหละเมื่อไรเราไปหยิบฉวยมานะมันก็รู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาไปหยิบฉวยมาทันทีก็มีทุกข์ขึ้นมาทันทีมีชาติเราก็มีทุกข์ น, นี่เราหัดภาวนาเราจะเริ่มเห็นของจริงเมื่อวานครูบามาเล่าเรื่องตลกตลกตลกสำหรับนักปฏิบัตินะ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 ภาวะตัณหาบางทีเรียกว่าสัตตะสัตตะทิจิอยากให้มันคงที่วิภาวะตัณหาเมื่อไปค่อนไปทางอุเฉ ท, ทิติอยากให้ขาดศูนย์ส่วนความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิญรถภภา่นรสผดทพะทังไหลเรียกว่ากา ม, มาตัณหาดังนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาน่ะมันมีเวทนาแล้วกิเลสมันก็แทรกในเวทนาแล้วกิเลสใดๆเกิดขึ้นก็ผลักดันให้เกิดความอยาก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 ขนาดที่ฝรัก憩 lazими baptism ยังติดอยู่นะก็ถาเลือกฝรักแล้วก็เลิกติดเล ocy ดึงก็เลือกติดอยังฝรักอยู่ก็ York ติดอยเดี๋ยวไม่ถังคู่หมือยหากิน <c oughs> ไม่มี mito taj เลยเพราะเสียงไม่มียางคนเห ичесigans si streng bas performing อาจารย์อาานันยิ่งเสียงเบาะของพ่อหาหลวงพ่ออีกคุยกับหลวงพ่อ 2im n nghĩ ้างแค่าคง αι Cond verteed กลับกลาดซินนะ ได้ยินแค่เสียงกระซิบสั่งกระซิบกระซิบคนอื่นไม่ได้ยินหรอกแต่พูดด้วยไหม้เนี่ยพอใจมันมีเวทนานะเวทนาก็มีกิเลสแทรกก็ผลักให้เกิดตัณหาพอมีตัณหาใจก็เข้าไปเกาะเป็นอุปาทานเกาะแล้วทำยังไงเกาะแล้วดึงไว้ดันไว้ทำงานการทำงานของใจเรียกว่าภพบนะมันก็จะหยิบฉวยในขณะนั้นก็หยิบฉวยเอากายเอาใจใหม้มามีรูปมีนามมีตัว เป็นตัวของเรานมีเราขึ้นมาไปหยิบฉวยขึ้นมาเมื่อไรนะหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นแหลนะนี่ธรรมะนะค่อยๆเรียนไปหากเบื้องต้นก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายเนี่ยะปฏิจจสมุปบาทท่อนต้นเห็นยากมากถ้าเห็นแจ้งก็เป็นพ ร, าาระอรหันต์ท่านเลยต่อไปตรวจการบ้านเชิญคนอยู่วัดเอ่อ ช่วงช่วงสองวันหลังรู้สึกมันจะมันจะคลายคลายไปเดิมวันแรกรู้สึกจะรุมบอลไปนิดนึงวันนี้เป็นไงวันนี้ฟุ้งซ่านหรือบอกไหมเตรียมจะกลับบ้านครับไม่ทราบมีการบ้านอะไรพิเศษหรือเปล่าครับมีสตินะรู้กายรู้ใจด้วยความเป็นกลางเลยเท่านั้นนะใครขอกันบ้านวันนี้ให้พร้อมๆกันนะชอบมาขอกันบ้านหลายบุคคลเพราะการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอก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 ถ้าจิตไม่เป็นกลางนะยังไม่เห็นไตรลักษณ์จิตยังจะดิ้นต่อไม่ยอมรู้เฉยๆแต่จะดิ้นรนต่อเช่นเห็นหน้าพ่อแล้วเกลียดเกลียดใช่ไหมใจก็ดิ้นรนไม่เป็นกลางกับพ่อไม่เป็นกลางพอไม่เป็นกลางเนี่ยไม่สามารถเห็นความจริงของพ่อได้ว่าจริงๆเป็นคนดีๆอะไรเงี้ยนะเป็นหมูตัวบางตอนนี้เป็นหมูบางเฉียบเพราะนั้นถ้าใจเราเป็นกลางเราถึงจะเห็นความจริงได้ใจไม่เป็นกลางไม่มีอคติ มีอัคติก็เห็นเขียนนะพระละหันเท่านั้นแหละที่ละอัคติได้แต่ถ้าเป็นอัคติเพราะโทสะเพราะราคะนี่นะถ้านาคาก็ละได้น ะ, อะต่อไปพอพอรับใหม่แล้วรู้สึกว่ามันแน่นไหมครับหลวงพ่อเออใหม่ตัวนี้ทาให้แน่นหรือแต่แต่ก็เท่าที่สังเกตุรู้ก็ไม่ได้กดนะครับหนึ่ง หรืออาจจะมีกฎบางม <c oughs> ีสิไม่มีจะแน่นเลยจะ <c oughs> อยู่มันก็แน่นขึ้นมาครับตอนตอนถี่ไม้นะครับลองวางใหม่หายไหมเบาขึ้นไหมละ่ะนั่นแหละไม่เนี่ยมันมีพลังงานเอาพูดจริงนะเพราะทุกคนที่จับเนี่ยนะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเต็มไปด้วยความเครียดไม้ตัวนี้เป็นวัตถุอับละมงคลบรรจุพลังงานแห่งความเครียดไว้ แต่มนุษย์ผู้ไม่รู้อีโนอีเนพยายามจะแย่งชีงกันแล<ะ>้วไงเมื่อคีย์ลองว่างอีกทีก็ได้สึกว่าคายถึงเธอมันเป็นของนอกไม่ใช่ของเราจิตเราไปกระทบรู้ว่ารมภายนอกบอกให้รู้เท่านั้นนะ้ำไม่ได้ให้ไปเล่นตอนนี้รับปากของพ่อก่อ น, นะยังไม่ดูจิตคนอื่นของคุณต่อไปมันจะรู้ ตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูจิตคนอื่นถ้าเราดูจิตคนอื่นเมื่อไรเราจะดูจิตตัวเองไม่ได้จำไว้นะหลวงพ่อถึงขวดขันมากเลยพวกวิทยากร อ, อย่าดูจิตคนอื่นนะถ้าไปดูจิตลูกทีมเมื่อไรนะจะดูจิตตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วหลวงพ่อครับตอนเดินชกมกลมอะครับคือมันเดินตอนมื ด, ดะฮะแล้วก็บางครั้งบรรู้สึกเหมือนกับเหมือนวูบวูบคล้ายๆกับมันคิดว่าเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวแต่ว่า มันไม่เห็นจิตโกรว่ามันเห็นมนันเห็นเหมือนกับเห็นอาการรูปอาการรูปก็รู้อาการไปอาการนั้นก็แสดงความไม่คงที่ของจิตนะรู้อย่างนั้นนอะรู้ได้วยความเป็นกลางนะอะไรเกิดก็ดูอันนั้นใช่ไหมครับใช่กลับไปอยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับ<ะ>ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมครับตอนนี้ใจมันซึมไปนิดนึงมือออกไหมมันเหนื่อยเหนื่อยมันซึมซึม ให้รู้อย่างที่เขาเป็นแล้วก็ถูกต้องตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้กดรู้อย่างที่เป็นถึงจะถูกต้องน ะ, อะตอบไปหมดยังคนที่อยู่วัดมีใครอยู่วัดอีกไม่ฉลาดเลยทุกคนกำลังอยู่ในวัด <c oughs> <c oughs> นิ้วชูมือขึ้นมาอ่ะเบอร์สี่สิบสามเชิญกราบในมาสการณ์หนังพ่อค่ะตื่นเต้นแล้วก็ก่อนที่จะมาวัด รู <pathway> ้ต <ence> ัวว่าจะมาวััดก็ฟูงสารอยากจ ะ, ะท trips ว่าตอนนี้ปัติบัติเป็นยังไ ง, ไงบ้างคะก็ใช้ได้นะไปหาดูไปกี่เร็ดเกิดแล้วรู้ปัติที่เร็ดรู้ goals รู้บ่อยๆแต่ก็รู้ว่าตอนนี้ความทุกข์น้อยลองเลยด issy เราไม่ได้ฝึกเอาให้หายทุกข์หรอกนะด이러 porta เราฝึกให้รู้ quantoidor ก ว, ว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราก็คือกายกับใจเนี่ยเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์หรอกนะถ้าใจเราเห็นความจริงจิตใจเราเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะหมดความยึดถือเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคราวนี้ถึงจะพ้นทุกข์จริงๆตอนนี้ตอนเราหัดเริ่มต้นเรายังไม่รีบพ้นทุกข์หรอกเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆแต่ที่คุณฝึกมานั้นถูกต้องแล้วนะ ใจเราห่างทุกออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าพอมันห่างแล้วเราไม่ไปหลงดีใจกับมันนะคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าเบื่ออืมเบื่อภาวนาถูกต้องพอเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายแล้วที่เห็นบางครั้งที่นั่งนั่งอยู่แล้วเหมือนกับว่าเห็นตัวเองนั่งดูตัวเองนี่นั่นแหละเห็นถูกแล้วนะนั่นแหละทำวิปัสสนาขอบพระคุณค่ะไปฝึกนะ วันหนึ่งแล้วได้พ้นทุกข์ไปฝึกดีแล้วแต่อย่าให้ติดความสุขนะความสุขเป็นผลปล่อยได้เราฝึกแล้วมีความสุขขึ้นมาถ้าเราไปเพลิดเพลิน พ, พอใจเราก็ติดอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่คำพันหลวงปู่คำพันโคโสปัญโยอยู่อำเภอปลาปากหลวงปู่คำพันเคยสอนหลวงพ่อนะว่าเวลาเราเดินทางไกลๆนะมันเหนื่อยมันร้อนมันเจอต้นไม้ใหญ่มีร่มมีเงา ถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเราก็พอใจนะเราก็ไม่ยอมเดินต่อเนี่ยครูบาอาจารย์เวลาสอนกรรมฐานนะสอนแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเงี้ยคือต้องต้องไปฟังเราต้องไปดูเอาเองพิจารณาเราก็ทีแรกก็งงๆทำไมอยู่ๆหลวงปูอาก่ไปพูดเรื่องต้นไม้วะเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่ค่อยฉลาดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ถ้าฉลาดน่าจะสบายกว่า น, นี้ไม่ต้องพูดกับโยม <laughs> <laughs> พลาดไปแล้วล่ะ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 ข้อสองละข้อสองขอเวลาญาติธรรมสักสองสามนาทีขอเล่าก่อนที่ผมจะได้อ่านหนังสือหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเคยภาวนาด้วยการตะเวนไปอยู่ตามที่ต่างๆตามวัดป่าพวกนี้แล้วก็เดินเดินจงกรมตอนนั้นก็รู้สึก ว, ว่าจิตใจค่อนข้างสบายแล้วก็บริกรรมพุทโธแล้วก็อยู่กับพุทโธแล้วก็พอเห็นเพราะมันเคลื่อนออกไปจากพุทโธเนี่ย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 อันนี้ตรงนี้ปัญญามันเกิดขึ้นจริงๆเพร่าอะไร Bee развития �적 ners ตะ drie เมิมี้เข้ะสติเพราะหนงสตล่ามหายใจให้รู้พุดโทร เ, นเกละราเจอเพราะ Shhain ที่2ใจจิตของเราเนตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่ได้เจต각 ини ค์ ABOUT�� んจะรู้ปัญญามันเกิดปบขนมา μα กบับ Pop board ณว่ามันไม่ใช่เราหรอกโรกกระทานมีไม่ใช่เรา หรืออันเดียวจิตยังเป็นเรานึกออกไหมครับนะที่นั่นที่เราภาวนาต่อไปนี้ก็คือเฝ้ารู้เฝ้าดูไปที่ปฏิบัติมาแต่เดิมก็ไม่ทิ้งนะทำได้ไม่ผิดหรอกครูบาอาจารย์เดินมาแบบนั้นเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายมันต้องเข้ามาฟาดฟันกันที่จิตนี่แหละถ้ายังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ก็ยังไม่ขาดครับดีผมจะนำอุบายแบบนี้มาใช้ใช้ได้แต่ต้องรู้นะว่าไม่ใช่วิปัสสนา การคิดพิจารณาโลปุเทศสอนชัดเลยการพิ จ, พจารณามรณาสติเนี่ยเป็นอุบายบไม่ให้ประมาทแก้อาการของจิตคือความประมาทรการพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาพเป็นอุบายเพื่อแก้จิตไม่ให้ติดราคาติดกามพิจารณาเป็นาธาตุเป็นขันอะไรเนี่ยเพื่อให้จิตไม่ไปหลงผิดว่ามันเป็นาธาตุเป็นขันเป็นการสอนมันอะ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 กรรมฐานครูบาอาจารย์วัดป่านะทำต้องให้ได้ครบสามอย่างหนึ่งทำความสงบเข้ามาสองพิจารณากายเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบไม่ให้จิตติดเฉย、2. ข้อสามที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงปู่มั่นบอกว่าทำความสงบมากเนื่นช้าคิดพิจารณามากฟูซ่างหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันนี่ทำอย่างนี้ไปเลยนะ นี่บางคนหรอกคนรุ่นหลังๆนี่แหละเขาทำสมาธิอย่างคุณไม่ได้เขาก็ต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันไปเลยคล้ายๆคนยากจนนะก็ไม่ร่ำรวยแบบพวกเข้าฌานได้ก็ต้องทำไปหายกินไปแบบยากจนนั่นแหละวันหนึ่งก็ค่อยรวยขึ้นมานะสุดไท้ายมันก็ทำได้เหมือนกันนั่นแหละอ้าวเบอร์ห้าสิบสามมัศการครับกลับนมัสกา ร, ร, กา ร, การหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งมีโอกาสส่งการบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ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 ปัญหาตอนนี้คือจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมดออกเกิดจิตไม่เข้าที่ไม่ถึงฐานหลงไปยินดียินไล้ตลอดค่ะไม่เป็นไรยินดีเรารู้ทันยินไ ล, ล้เรารู้ทันนะไม่ห้ามหรอกเลาะห้ามไม่ได้ไมเบอร์เก้าสิบอยู่ทางนี้ขอกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งเดินทางมาจากอเมริกาก็ได้พบก<ร><อ>ับหลวงพ่อมาด้วยหรือเปล่า เพื่อนพบเห็นหลวงพ่อในทางเวอร์ซายแล้วก็เพื่อน53นะคะก็พามาจริงๆมีคำถามหลายอย่างแต่คิดว่าคงย่อลงมาเหลือในส่วนที่สงสัยจริงๆหนูเป็นคนที่ ชอบในการทำบุญมากจนบางครั้งมีความรู้สึกว่าเยอะติดกับการทำบุ ญ, บญเห็นบุญและอยากทำเห็นคน<ม>ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วอยากจะวิ่งเข้าไปช่วย<ม>ข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อสองก็คืออยากจะให้หลวงพ่อกรุณาชี้แจงความแตกต่างระหว่างความรู้สึกที่มีความเมตตา<ม>กับความรู้สึกที่รู้เท่าทันแต่เรียบเฉยอะไรนะ ร, รู้เท่าทันกับอะไรนะ ที่รู้เท่าทันแต่ว่าเรียบเฉยนะคะเหมือนกับว่าเราอุเบกขานิ่งแต่กับกับความเมตตาที่เราให้ข้อหนึ่งว่าอะไรน่าลืมละข้อหนึ่งทีเ่เราเห็นโอกาสในการทำบุญแล้วเราอยากจะชอบเข้าไปทำคือบุญมันมีหลายระดับแต่ว่าบุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญานะเป็นบุญเล็กๆอย่างเราอยากทำบุญนะอยากช่วยคนอยากอะไรเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นเลย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 ใจที่ฝ่อไม่ใช่ใจที่การุณาแต่เป็นใจที่มีโทรส ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเราการุณาเราหรือเราเมตตาเราการุณาอย่าลืมอุเบกขาต้องมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเกิดความเมตตารู้ทันจิตเกิดก า, า ร, นกดกรุณารู้ทันนะอาศัยมีสติรู้นี่แหละเดี๋ยวอุเบกขาก็มีสูงสุดไม่ใช่เมตตาการุณานะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยนะคะว่าคือบางครั้งมองมอง ขับรถไปตามถนนแล้วเราถูกคนปาดหน้ามีพอเราก็รู้สึกเออไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะฮะเขาเรียกว่าโปร่งตกเหมือนกับว่าเราไม่ไปโกรธเขาบางคนก็เคยเห็นคนก็แกล้งแข่งกันปาดไปปาดมาใช่ไหมคะแต่เราหนูไม่เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทันใจของเราไปนะเห็นเขาปาดไปใจเราสังเวชรู้ว่าสังเวชใจเราเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ หัดมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆความสำคัญของขอโทษนะคะอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะว่าความสำคัญของคำภาษาบาลีนี่สำคัญมากไหมคะพ่อหนูไม่สำคัญเลยหนูยากมากที่หนูจะจำได้ลองไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องแต่เธอผู้มาใหม่เคยอ่านไหมในนั้นไม่มีบาลีสักคำเลยลองไปอ่านตัวนะภาษาก็คือภาษาเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสาร คนสมัยก่อนน่าต้องพูดภาษาบาลีปนนะจะได้ดูน่านับถือใช่สมัยนี้ต้องพูดภาษาฝรั่งปนแล้วดูน่านับถือมันก็แค่ภาษานั่นแหละขอบคุณค่ะตัวสำคัญกว่าภาษาก็คือตัวสภาวะเห็นสภาวะไหมสภาวะบางอย่างเรียกชื่อไม่เป็นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรแค่เห็นว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปก็แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วเบอร์109 109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 ไม่ทราบจริตที่ชัดเจนของตัวเองนะครับของคุณนะเป็นพวกทิฏฐิจริตเป็นคนช่างคิดนะขอรับกรรมฐานที่เหมาะกับคุณนะก็คือดูใจตัวเองคุณคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้คุณเริ่มกดความรู้สึกของตัวเองให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับพ อ, อ, อมันหัวใจมันเต้นแรงมากเลยเอออย่าไปกดไม่ตายหรอกหัวใจเต้นขนาดนี้นะรู้สึกไหมพอเมื่อกี้ตรงที่หัวละแล้วก็ขยับตัวอย่างเงี้ยใจมันโล่งขึ้นมา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 อออพอพระอาจารย์มาเทศนะฟังแล้วอะไรวะงงงงรู้ว่างงเนี่ยเรียกว่าเราปฏิบัติละนะให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเนืองเนืองๆนะมันจะเป็นการกดข่มบ่อยๆหรือเปล่าครับไม่ถ้ากดข่มใจจะแน่แนๆคุณรู้จักว่ากดเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้หลวงพ่อเห็นแล้วนะ ค, คุณรู้อยู่แล้วว่ากดเป็นยังไงก็อย่าไปกดมันสิแค่นั้นเองยากอะไรวะขอบพระคุณขรรมอ้าวเบอร์สองร้อยภาวนาได้ดีนะคุณอะ กลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมที่อยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้พอจะมีจิตตั้งมั่นที่ว่าใช้เจริญปัญญาได้บ้างมีอย่างไรครับผมจิตตอนนี้ออกนอกนะไม่ไม่ถึงฐานดูออกไหมเวลาได้ไมล์แล้วรู้สึกเออมันมันเกินจริงเวลาปกติใช้ได้อยู่คอยรู้ความเคลื่อนไหวรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปได้ไดไดใช้ได้ที่ฝึกอยู่ครับผมเบอร์เจ็ดตอนจับไมล์เนี่ยมันเพี้ยนมันเพี้ยนทุกรายนะ เขาใบนี้บอกแล้วมันเป็นวัตถุอัปรมงคลลดละมนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเสียในเบอร์เจ็ดอ๋อมรสการเชาวข่าคะเอ่อคือว่าอยากจะพูดถึงเรื่องปฏิบัตินะคะบังเอิญว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่กลุ่มเขาให้ปิดปวาจาบังเอิญหนูก็รู้ว่าเออปิดปวาจาแล้วบังเอิญก็หลุดพูดไปทักเพื่อนก็รู้ว่าตอนนั้นหลุดพอหลุดเสร็จปั๊บ カルワエ、カニノカルピッパチャユ、カルエ、パー、タンタウパイ、ウェラ、プンティマコイエライ、カジャロウラワ、チッメンカー、バメデピキ、ロワ、ピッカー、カチェイシュイ、カチェイうュイ、カメデピタウ、メデペアライ、カチェン、シュンガタンクンモブラ、タチュウンウェラティ、カンパティバッピッパチャーニ、ジェヘ ได้ยินเสียงพูดแล้วก็คันๆอยากจะตอบมีความรู้สึกอยากจะพูดออกมากแต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะเท่าโชคดีที่ว่าครั้งแรกที่ไปหลุดออกไปครั้งแรกก็เลยจำได้ว่าอ๋อเมื่อกี้พูดไปแล้วนะหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นการปิดวาจาของเราก็มีประโยชน์ละค่ะปิดแล้วเราเห็นใจที่มันอยากพูดใช่ค่ะต่อไปนี้ก็ดูไปอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะความอยากใดๆเกิดที่ใจรู้เรื่อยไปค่ะ ยังดีนะไม่ทะเลาะกันมีพระสามองค์นะสัญญาปิดวาจาเสร็จแล้วองค์ที่หนึ่งเผลอพูดขึ้นมานะองค์ที่สองเขาบอกแน่ท่านพูดแล้วองค์ที่สามบอกน้าท่านพูดทั้งสององค์เลยนี่ผมไม่พูดอยู่คนเดียวแล้วก็อย่างที่ตอนเช้าที่ฟังที่หลวงพ่อเทศอ่ะบางทีก็รู้สึกว่าเวลาที่หลวงพ่อเทศก็เห็นผลเลาะอยู่คนเดียวแบบผลเลาะ แล้วก็แบบว่าเออบางทีก็รู้สึกว่าเท็จและถูกใจก็จะหัวเราะออกมาอืมบางทีก็ฟังจิตขณะนี้เป็นธรรมดาไหมค่ะตอนนี้นะคะออนนธรรมดาค่ะธรรมดาค่ะธรรมดาเนี่ยจิตเป็นอย่างนี้เลยเหรอค่ะ <laughs> จิตตอนนี้รู้ตัวเป็นปกติไหมปกติเลยคะ่ะเพ่งเอาไว้ก็อาจจะมี ข้างในเต้นแรงนิดหนึ่งค่ะหัวใจเต้นได้เรื่อยๆแล้วกดมันเอาไว้ค่ะนะเพราะงั้นตอนนี้ไม่ธรรมดาหรอกตอนนี้บังคับอยู่อ๋อบังคับอยู่บังคับอยู่ใจจะแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมาแน่นๆแน่นสักนิดเดี๋ยวก็แสดงว่าบังคับละนะให้รู้ทันสภาวะไปนะค่ะอย่างเมื่อวานเห็นแล้วว่าความอยากพูดเป็นยังไงใช่ค่ะเห็นค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เห็นไปนะใจมันแน่นขึ้นมาก็รู้ไปฝึกดูสภาวะเรื่อยๆอ้าวเบอร์สิบค่ะก็คุณเจ้าค่ะ กับนรรมส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูมาส่งการบ้าน ส, สามเดือนค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเพ่งตอนนี้หนูเป็นไงบ้างคะต่างกับสามเดือนก่อนอยังไง ร, รู้สึกว่า<อ>เพ่งน้อยลงถูกต้องเพ่งน้อยลงนะแสดงว่ายังเพ่งอยู่ดูออกไหมมันมีเพ่งนิดหน่อยมีเพ่งค่ะออแล้วก็จะรู้ตัวบางครั้งว่าเพ่งใช้ได้แล้วรู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงเรียนน่ะหาดูสภาวะไปเผลอเป็นอย่างนี้เพ่ง<ๆ>เป็นอย่างนี้ สิ่งที่ผิดมันมีสองอันนึงไม่เผลอก็เพ่งงั้นเผลอไปเรารู้ทันมันก็ไม่เผล่นะเพ่งอยู่พอรู้ทันมันก็ค่อยๆคลายทำไมเพ่งอยู่มันไม่คลายทันทีว่าเพ่งบางทีไม่ใช่อคุสนะเป็นการฝึกจิตให้นิ่งๆเป็นกุศลเหมือนกันแต่เป็นกุศลที่พาไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเป็นพระพรหมอะไรเงี้ยงั้นมันไม่ใช่อคุสน์บางทีดูแล้วไม่ขาดทันทีไม่เหมือนเผลอเผลอนี่เห็นแล้วขาดทันทีงั้นเพ่งเรารู้ว่าเพ่งอยู่มันจะค่อยๆลดการเพ่งลงนะ พอเราลดการเพ่งลงควรสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ไหมพอเราเพ่งน้อยลงนะจิตใจเริ่มเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเริ่มแสดงไตรลักษณ์แล้วแต่ถ้าเราเพ่งไว้จิตใจจะนิ่งนิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่เห็นไตรลักษณ์ดังนั้นการเพ่งเลยเป็นศัตรูของการทำวิปัสสนาแล้วหนูใช้วิหารแล้วทำสองอย่างควบคู่กันไปได้ไหมใช้อะไรล่ะหนูใช้ลมหายใจกับบางทีคลึงนิ้วอะคะ่ะได้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 ตัวจริงของคุณสนนะแต่ ค, คุณแกล้งทำเป็นนิ่งๆเพื่อให้ดูเรียบร้อยเอาตัวจริงออกมาน ะ, ะอย่าใช้ตัวปลอมเวลาเราทำมิพัฒนาะเราจะปลดปล่อยตัวจริงออกมานี่ตัวจริงของแต่ละคนเนี่ยรายกาดเพราะฉะนั้นก่อนจะทำมิพัฒนาเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากเลยก็คือการตั้งใจรักษาศีลเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาศีลไว้เลยพอเราไม่เก็บกดเนี่ยความชั่วร้ายจะขึ้นมาแล้วมันจะไปร่าเร่านชาวบ้านเขา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 รวมความก็คือปล่อยให้จิตนี้ทำงานไปตามธรรมดานะ <Okay. S 1> แล้วก็อะไรเกิดขึ้นอะไรแปรปลอมขึ้นมามีส ต, ติตามรู้ไปเรื่อยเรื่อยไม่บังคับมัน <Okay. S 1> แต่ไม่ให้ผิดศีล <Okay. S 1> เช่นโทสะเกิดไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามมีโทสะพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่บอกว่าภิกษุห้ามมีโทสะแต่ภิกษุพอจิตมีโทสะแล้วรู้ว่ามีโทสะนะ、mm hmm. ถ้าโทสะแรงมันครอบงำจิตได้มันอยากด่าคนอื่นแล้ว เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องถือศีลไม่ดา่านะศีลมันจำเป็นตรงนี้แหละสำหรับคนทำมิปัสนานค่ะขอขอถามกรรมฐานที่เหมาะกับโยมค่ะที่ทำอยู่นี่เหมาะแล้วนะถูกแล้วค่ะหลวงพ่อคะ่ะมีข้อสุดท้ายคะ่ะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเกิดเลยไม่อยากมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เป็นฟุ้งซ่านธรรมดาหรือว่าเป็นเพราะอะไรคะใจมันเริ่มมีปัญญานะแต่มันยังเบื่อไม่เต็มที่ มันยังมีเบื่อเบื่ออยากอยากวนนะยังไม่ยังไม่ถึงขั้นเป็นนิพพิทายามหรอกแต่ไปฝึกอีกเดี๋ยววันหนึ่งจะเบื่อโลกเลยตอนนี้ยังไม่เบื่อหมดหรอกเวลาใครถามเบื่อนั้นกำลังเบื่อเราต้องรีบสังเกตก่อนเบื่อแบบไหนเบื่อมีหลายแบบเบื่อด้วยโทสะมีเยอะเบื่อด้วยปัญญามีเหมือนกันต้องภาวนาค่ะเอาต่อไปนะเบื่อสิบสี่ กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้เนี่ยถูกต้องไหมคะดีไหมคะใจตอนนี้หนักหรือใจตอนนี้เบาเบาค่ะตอนนี้บังคับไหมไหมหรือเป็นธรรมชาติบางทีก็บังคับค่ะหมายถึงตอนนี้ขณะนี้บังคับไหมเราไม่ได้บังคับค่ะขณะนี้ตอนนี้บังคับอยู่นะขณะนี้ยังเพ่งอยู่โปร่งตัวนี้โปร่งด้วยการเพ่ง เพ่งเบาๆแล้วมันโปร่งรู้สึกไหมว่าเราอย่างบังคับตัวเองมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งอยู่ส่วนส่วนมากจะนิ่งถ้าตรับใดยังมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะแสดงว่ายังเพ่งอยู่แต่คุณเพ่งเก่งคุณเพ่งไว้เบาๆเพ่งไว้แตะๆเพ่งอย่างนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเพ่งค่ะเพ่งอย่างนี้นะมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันเบาจริงนะแต่เป็นเบาที่เกิดจากการที่เราอย่างตอนที่ดีขึ้นกว่าตะกี้เริ่มหนักขึ้นแล้วดูออกไหม ค่ะดูออกค่ะตอนนี้เริ่มดูออกแล้วใช่ไหมว่ามันหนักมันไม่ใช่เบาจริงหรอกเพราะตอนที่หัวเราะแต่นั่นลืมปฏิบัติใจนี่โล่งขึ้นมาเลยพอเริ่มลงมือปฏิบัติเริ่มประคองมันก็เริ่มนิ่งนิ่งนิ่งเกิดน้ำหนักขึ้นมาเราประคองจนชินเหมือนเราไปไหนนะเราก็แบกถุงข้าวสารไปหนึ่งถุงแบกทุกวันเลยนะจนไม่รู้สึกเลยว่ามีน้ำหนักของข้าวสารอยู่บนหลังเราวันหนึ่งเราวางถุงไปนะ เกิดเผลอวางไปแว บ, บหนึ่งแล้วหยิบขึ้นมาใหม่เราจะรู้สึกว่าเราหนักละอย่าง <Okay. S 1> ของโยมเนี่ยมันจิตคล้ายๆแบกเข้อสารอยู่ตลอด <Okay. S 1> จะไม่รู้สึกหนักแต่เมื่อกี้มันหลุดออกไปแว บ, บหนึ่งวางเข้อสารลงไปหยิบข้อสารขึ้นมาใส่บาใหม่รู้สึกหนักไหม <Okay. S 1> ติดอยู่นะ <Okay. S 1> ติดนิ่ง <Okay. S 1> อย่าประคองอย่าประคองนะอย่าประคองให้นิ่งนะลอยช้าโ <Okay. S 1> ยมรู้สึกไหมไม่ว่าเราทำอะไร ไม่ว่าเราทำอะไรนะมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่เรื่อยๆตัวนี้มันนิ่งอยู่เรื่อยๆมันติดนิ่งอยู่อยัางติดตัวนี้อยู่นะต้องค่อยๆรู้ทันนะคลายออกซะสามสิบสี่อาชเชิญสมการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสิบเอ็ดเดือนที่แล้วครับก็ตอนนี้รู้สึกมันตื่นเต้นก็คิดว่าคงกดอยู่สิบเอ็ดเดือนนี้มีอะไรแตกต่างไปบ้างไหมรู้สึก ทุกมันที่เคยคิดว่ามันจะหนักมันเบาลงค่อยมันเบาลงแต่ก็ไม่ไม่ไม่เบามากจนหายอะไรนะมไม่ได้ฝึกให้หายหรอกนะฝึกเรียนรู้มันไปคุณเห็นแล้วอย่างใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับคุณเริ่มเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมครับ นั่นแหละดูตรงนี้และดูปล่อยๆเบอร์ยี่สิบเก้าทำไมดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะตอนนี้พวกเราภาวนานเพื่อไปสู่โสดาปฏิมัติพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับงั้นเราก็หัดดูอย่างท่านไปเรื่อยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับวันใดที่ใจยอมรับความจริงใจก็จะเป็นพระโสดาบันได เบอร์ยี่สิบเก้าใช่ไหมอาเชิญกราบน้อมสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าไงไม่ทราบว่าไม่ทราบแล้วใครจะทราบอ่ะหืมกดอยู่ดูออกไหมตอนนี้กดเอาไว้ดูออกไหมค่ะสังเกตไหมใจของเราชอบฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปฟุ้งมาเรื่อยๆดูออกไหมค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ยังฟุ้งไปยุ่งกับเขาเลยให้คอยรู้ทันนะ ใจฟุง้งซ่านรู้ว่าใจฟุง้งซ่านรู้อย่างนี้บ่อยๆค่ะแล้วต้องต้องมาลูกกายหรืออะไรเป็นพิเศษไม่ต้อง<ะ>ไม่ต้องลูกกายก็ไม่ได้หรอกหลงหลงไปฟุ้งแล้วรู้แล้วก็ใจฟุ้งซ่านเรา ร, รู้ใจฟุ้งซ่านเรา ร, รู้ให้รู้ตัวนี้บ่อยๆนะค่ะแล้วตอนหัวล้อนี่รู้สึกมันโล่งก็ก็รู้ไปก็รู้ว่าโล่ลลงนะค่ะนี่แหละหัดรู้ไปอย่างนั้นค่ะแล้วมีอะไรติดติดติดอีกไหมคะที่ใจหัดรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านค่ะรู้บ่อยๆแล้วแล้วมันจะรู้อย่างอื่นเอง แล้วนั่งสมาธิได้ น, นั่งแล้วจะซึมไปคนที่ฟุ้งมากมากนะเวลาไปทำสมาธิมันจะซึมคนที่ซึมมากมากมันนั่งสมาธิมันดีฟุง้งแล้วเราต้องนั่งไหมคะนั่งเป็นแบบไปเดินเดิ น, ดนไปเดินน ะ, นะไปหางานทำไปกวาดบ้านถูบ้านทำงานไปเรื<ๆ>่อยๆอย่านั่งนิ่งนั่งนิ่งแล้วโมหะครอบของคุณเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นกิเลสตระกูลโมหะ แล้วเราไปนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวโมหะครอบง่ายกระดุกกระดิกไว้ดีกว่าคเคลื่อนไหวไว้น ะ, ะหา ง, งานบ้านทำไปเรื่อยๆแล้วการทำในรูปแบบทำรูปแบบด้วยการทำงานไปทำงานบ้านไปน ะ, ะเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูร่างกายทำงานใจเป็นคนดูถ้าคุณอดทนทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่นานคุณจะเข้าใจน ะ, ะของคุณไม่ได้ว่าเป็นคนภาวนามไม่เป็นไม่ใช่อะไรนะภาวนามไม่ยากเท่าไหร่หรอก 32จะนั่งสมาทิตัวจากตามองเห็ดไม่ค่อยชัด<嗯>หูได้ยินไม่ค่อยชัด<嗯>แล้วมันรู้สึกว่ามันอึกอาดร้อนอยู่ข้างใน<嗯>แล้วตอนนี้ Camus, khakialtetarnabyas.c.Rнаком a ca Bolt. dig.hlang by nk.c.csj Sept 真 workouts tipos ไปแล้วหูรอวารหูรอว è โล ans หมายค่อยอยดว่าอย่า histor runner by assuming5 นี้ครับว่าวะ atlantic 운カ๋อย kurarsды ห audолн ิ่ารอ kabung karnail nk.rels ดูเราต า, เราเหม Multi ให้เรารู้ที่ใจเราให้ชัดตามันไม่ชัดนะใจเราหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าใจหงุดหงิดนะหูเราได้ยินไม่ชัดใจหงุดหงิดรู้ว่าใจหงุดหงิดให้รู้อยู่ที่ใจบ่อยๆคือตอนนี้ลูกภาวนาอิติปิโสพุทธคุณมาทำตะคุณลืมเลยนะลืมเลยจิตติดติ ด, ต, ดตรงนี้ไม่ดีเลยมันติดซึมไปน ะ, นะกลับมาเป็นมนุษย์ปกติให้ได้ นี่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่จิตติดนิ่งๆอยากให้ติดนิ่งติดเฉยอยู่พยายามเคลื่อนไหวไว้กระดุก<ะ>กระดิกไว้แล้วก็รู้ทันใจรู้สึกไหมตอนนี้ใจโล่งกว่าเมืก่อกี้ใจมันโล่งขึ้นดูออกไหมเนี<ะ>่ยเราต้องไม่น้อมใจสวดอิติวิโสแล้วใจอะไรอย่างเงี้ยใจซึมไปไม่เอาเลยน ะ, ะทำอย่างนั้นโมหายิ่งมากเนี่ยหัวร้อนอย่างเงี้ยใจเบิกบาน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 มาเดินให้ดูได้ไหมเอาเบอร์สี่สิบสี่เบอร์นี้ให้เดินเนี่ยเผลอไปแล้วซับไหมเดินมาสองสามก้าวแรกนั่นแหละเดินถูกต้องอนี่มาเดินสาธิตเลยมาทางนี้เลย <c oughs> เวลาเดินจงกรมนะเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเช่ <c oughs> ในใจลอยไปรู้ว่าใจลอย คุณสังเกตไหมตอนที่หมุนเนี่ยมันลืมตัวเองขาดสติไปเอามันลืมแต่หมุนๆไปมันลืมเดินต่อใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดสังเกตไหมตอนที่หมุนเนี่ยมันเผลอใช่มันไหลไปแว บ, บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนที่หมุนตัวเนี่ย หมุนเสร็จไร่ลอยังไม่รีบเดินหรอกเวลาเราเดินจงกรมนะพอเราเดินไปเนี่ยระหว่างเดินเนี่ยเดินรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวไปพอสุดทางจงกรมนะอย่าเพิ่งหมุนตัวยืนรู้สึกตัวให้สบายให้ใจสบายนะรู้สึกสบายสบายพอสบายเราก็ค่อยหมุนกลับมาไม่ชา้าไม่เร็วเกินไปพอหมุนกลับมาแล้วอย่าเพิ่งเดินถ้าพอหมุนปุ๊บเดินปั๊บเนี่ยจิตจะเดินก่อนจิตจะเดินก่อนขานอันนี้ไม่ดีแล้ว เราหมุนกลับมาเรารู้สึกตัวให้สบายแล้วค่อยเดินใหม่เราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาอะไรหรอกอ้าวเดินอีกเดินโชว์ยังเก่งไหมใจหนีไปใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้นะไปเชิญเดินกลับไปเลยเดินกลับที่นั่งอย่าเดินจงกรมได้ไหมเดินเดินลืมลืมเรื่องเดินจงกรมแล้วเดินกลับไปเลยนะเดินกลับไป คุณรู้สึกไหมตอนนี้ใจโล่งกว่าตะกี้ต้องใจอย่างนี้นะนึกเอาอย่างจำได้อย่างตั้งใจธรรมดา ย, ยัางนี้ถึงจะเรียกว่าเดินจงกรมอย่างนี้เรียกเดินทรมานตัวเองนะเบอร์ <_ L un> สี่สิบสี่เชิญการมรดกการค่ะ <L> ห <un> ลวงพ่อที่ปฏิบัติมาเนี่ยมีความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจนี่มันจะเป็นการเพ่งจ้องอ่าก็เลยปล่อยไปเรื่อย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 ถ้าเราพูดเองถึงจะมีปัญหาเช่นมันโกรธขึ้นมาแล้วจิตมันพูดว่าอ๋อโกรธแล้วนะไม่เป็นไรถ้าพอมันโกรธแล้วโกรธเนาะโกรธเนาะ อ, อันนี้จงใจ อ, อ, อย่างนี้ไม่ดีไปหักเอานะไปแล้วมีอะไรที่ติดขาดต้องแก้ไขอะไรไหมคะตอนนี้จิตประคองไว้ดูเอาไหมโกรธเอาไว้ใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วมีสติตามดูไปค่ะค่ะ ร้ขอบคยสิบสี่ร้อยสิบสี่กลับธรรมสถานค่ะมาส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อสี่เดือนที่แล้วค่ะที่ถามว่าสมรถะกับวิปัสสนาเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือเปล่าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกเกิดขึ้นพร้อมได้หนูก็เลยกลับไปทำการบ้านสี่เดือนนะคะก็คือมองจิตแล้วมันจะรวมเป็นสมถะเป็นระยะระยะค่ะคืออยากจะเกิดไหมรวมแล้วก็ขึ้นรวมแล้วก็ขึ้นใช่ค่ะตรงที่รวมแล้วขึ้นมาเนี้ยแสดงใจรักแล้วเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ถ้ารวมแล้วก็นอนไปงี้ไม่ขึ้นมาไม่ดีและหลวงพ่อคะแล้วช่วงที่ น, นั่งออดูจิตไปเ ร, เรื่อยแล้วรวมถึงอารมณ์สมถะแล้วดวงสว่างที่มันเกิดขึ้นน่ะคืออะไรคะหลวงพ่อก็เป็นนิมิตนิมิตแล้วเราก็คือมองมันไปเรื่อยเหรอให้เร า, ราดูจิตแล้วดูแต่จิตแล้วก็ไม่ยุ่ ง, งเกี่ยวไม่สนใจนิมิตแล้วนิมิตมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรคะนิมิตเกิดมาเพื่อจะให้เราไปทำฌาน แล้วฌานนี่คือนิมิตไม่ใช่นิมิตตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ก็คือคือเวลาอย่างเราหายใจนะเสร็จแล้วเกิดเป็นดวงสว่างขึ้นมาเราไม่ได้รู้ลมหายใจแล้วคราวนี้เรารู้ดวงสว่างเป็นอารมณ์ดวงสว่างนี่เรียกว่าอุกขะหานิมิตนะก็ดูไปจนเราสามารถคอนโทรลได้นะให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้แค่เล็กเข้าปลายเข็มก็ได้เลยอยอดได้ขยายได้เป็นปฏิภาคนิมิต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 ถ้ามันยังนั่งโดโดยอยู่เนี่살ตัวจริง<ม>ตอนนี้จะขอหัวไหรื้ออะไรก็วา reconcile <oughs> <oughs> ให้กลับมาดูจิตนมด만 puesorb Bird vs. Obi-Hai 749คนรอบเราช่างซัง ос งโชลป opposite We have ะโอกตัวเราเพราะเราปลอยอกก <c oughs> พรุร่นรงนีมากไป <c oughs> พร Commander's is super adventurous เผี้ยนงาน่่อยนะ harbor people don't have ze handy เขาลสกรับมาสักการที่ท่านหลมอ่ะ ลูกเพลิงมาครั้งแรกอยากสอบถามว่าการฝริ quilt 돌ฎรรรมไทร์ทกับจริตของลูกะคะเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้า ә ic eviden m confusing นั่นแหละดูจิตไปหนะ้าใจเราชั่ง engineering untuk us เราดูใจแลวใจ편 Irish tea speaks in looking at the heart of open ไจ take care brom họ dkah possum เราดูไปดงายใจ каче SaaS tempo hor จริงป่ะใช่ค่ะเราไปดลู่นะไม่หรอกหรอกกอบเขาพ ậ cada посacher 소วิจากสิบแสด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 เห็นความโกรธเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีๆทั้งหมดของกิเลสอะค่ะของเขาหรือของเราของเราเออใช่ได้ดีไปอีกไปงานศพไป<ะ>แต่หลวงพ่อครับมันมันมีทั้งความหมันไส้มีทั้งแบบทุกอย่างรวมกันอยู่เลยนั่นแหละตัวเราจริงๆละกิเลสเยอะ<า>เราเฝ้ารู้ไปนะเราจะเห็นเลยกิเลสทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ใช่ภาวนาเพื่อรักกิเลสนะ แต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไปกิเลสมาแล้วก็ไปกูสนมาแล้วก็ไปสุขทุกมาแล้วก็ไปฝึกรู้ตรงนี้นะแต่ทีนี้ว่าพอเราไปอย่างนี้นะคะไปทุกๆวันเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับพอเรากลับมาสวดมนต์ที่บ้านใจเราไม่สงบอะค่ะหลวงพ่อให้รู้ว่าใจไม่สงบนะใจไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเนี่ยดีกว่าสงบทุกวันสงบไป เ, เรื่อยๆไม่เกิดปัญญานะ สงบบ้างไม่สงบบ้างนั่นดีไม่เคยสงบเลยเขาใช้ไม่ได้เป็นปกติใช่ไหมคะเป็นปกติเบอร์หกสิบสองพ่ อ, ขอกบเขากระเบนอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วอย่างปกติทุกวันนี้นะคะก็จะมีรู้สึกตัวว่าตอนนี้เราโกรธตอนนี้อะไรแต่มันมีความกลัวละเอียดที่แบบไม่ทันได้มองอะค่ะอย่างเช่นช่วงนี้มีไข้หวัดระบาดเนี่ยค่ะ แล้วก็เอเอกลัวมันแต่มั น, มนแฝงอยู่แฝงอยู่ได้สักสองอาทิตย์เนี่ยก็มาเพิ่งรู้สึกเลย ว, ว่าโอ้เนี่ยเราเรากลัวเรากลัวความติดโรคพอนึกขึ้นได้ปับ๊บรู้สึกตัวความกลัวนั้นก็หายไปใช่ค่ะก็เรายังไม่รู้จักสภาวะของความกลัวตัวนี้ถ้ารู้จักนะสติเกิดมารู้ทันมันก็หายไป ถ้ามันแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะมันมันมันจะมีสภาวะที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยอีกเยอะเลยนะงั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วแล้วอย่างว่ามันก็เกิดกลัวขึ้นมาเอีอะค่ะไอ้ความกลัวหวัดไม่ใช่ฝึก<ะ>ไม่ให้กลัวนะ、oh, กลัวขึ้น <that. S 2> มาเราก็เห็นเลยความกลัวมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปห้าม <That. S 2> ไม่ได้คือ <that. S 2> อย่างนี้นะบทหกสิบสองขอบคุณค่ะอดทนไว้ใกล้เลิกแล้วอดทนไว้นะ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 ทีนี้เนี่ย ม, มันก็เกิดความสงสัยก็คือว่าช่วงที่เจริญสติและจิตเผลอเป็นก็รู้โมโหก็รู้หลงก็รู้มาหน้าตัวตนเกิดขึ้นมันมันรู้ว่าค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันรู้แล้วเหมือนกับมันมันดิ้งแต่แป๊บหนึ่งอะค่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูไปหลงไปสร้างตัวรู้หรือเปล่าวะค่ะจิตมันปิดเพ่งนะเพ่งเลยใช่ไหมค่ะมันเลยซึไมไปตอนนี้ก็ซึมอยู่ดีบอกไหม ใจไม่ผ่องใสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นกดอะค่ะดูใจกดกดหนักหนักมัวมัวมืดมืดดูออกไหมใช่ค่ะเพราะงั้นเวลารู้สภาวะน่ารู้เฉยเฉยอย่าไปกดมันแต่ห้ามไม่ได้เพราะเราเคยชินที่จะเพ่งค่ะนะกรรมฐานเก่าที่เราทำเนี่ยมันชินเพ่งเพราะงั้นมันจะเพ่งเรื่อยเรื่อยห้ามมันไม่ได้แต่รู้ทันเอาวันหนึ่งมันก็ค่อยเลิกไปอืมแล้วอย่างกรณีที่แบบว่าตอนนี้เพ่งน้อยกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมใจสว่างขึ้นมานึกออกไหม รู้สึกไหม لك อ, อย่างเดินจงกรม compra โ Tao wavelength เขาตามที่ตอน ped 那麼พ่อมันติด Gonnaosium ขอบินาบาท tillsabarak BE ตอนที่ยใช้ไม่ได้และ<笑>ไม่เหมือนแต่กี MIC มันฝุ้งอที่นี้เนี่ช่วงที่เดินจงกรมะนะค Pennsylvania Jazz rhythmic รู้สึกว่าก apa มัน rin อดมรอ他เพราะฉัน chtigital ตายไปเรื่อยไม่ได้อะไรจิตมันเอ� theory น його รู้สึกแต่ทีนี้มันม ร, สกรู้สึกว่าเห็นอาการขงจตมนลหอ spannend ว่า оеal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 อย่างนี้หนูก็ต้องไม่เพ่งใช่ไหมคะอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งแต่มันอาการที่เพ่งบางทีหนูก็รู้สึกว่ามันเพ่งแต่ช่วงไหนที่มันไม่รู้สึกว่ามันเพ่งแล้วมันเป็นเพ่งนี้เราเราจะสังเกตยังไงอะคะช่วยไม่ได้สังเกตนิดเดียวใจมันโล่งไหมถ้าเพ่งแล้วใจมันมีน้ำหนักขึ้นมาค่ะได้ค่ะแต่ขอโทษแต่มันเคยชินจะเพ่งห้ามมันไม่ได้ช่วยไม่ได้มันจะเพ่งแต่แต่แต่ว่ามันเผลอหรือว่ากายอย่างกระพริบตาเนี่ยมันกระพริบไปบ่อยเรารู้สึกอย่างนี้ก็คือเรา ถือว่าเพลงไหมคะถ้าจงใจรู้สึกเนี้ยไม่ไม่ใช่อะค่ะบางทีมันก็พลิบขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยพลิบแล้วรู้สึกเองว่าไม่ได้เพ่งไม่ได้เพ่งนะคะดูที่ใจถ้าใจหนักขึ้นมาแล้วก็เพ่งค่ะได้เบอร์ห้าสิบห้าคนสุดท้ายห้าสิบห้าหลวงพ่อคะหนูย้ายไปภาวนาทางอีสานได้ปีหนึ่งแล้วค่ะพอไปครั้งแรกเลยนะคะมันก็จะแยกเวทนาที่เคยเวทนาหนักหนักอะฮะแยกอะฮะ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 หนูก็ตกใจนิดเดียวแล้วหนูก็วนกลับไปหาพอเจอหนูก็เฉยก็รู้ว่าว่าเจอแล้วดีใจแล้วก็มาใจมันไม่ไม่เวิร์บมากอะไม่ทราบว่าหนูติดล็อกหรือเปล่าคะถ้าตอนนี้ติดล็อกค่ะตอนนี้ติดล็อกเออตอนนั้นไม่เห็นนี่<ะ>ตอนล็อกเกตหายอ ะ, ะ <laughs> วัดตัวเองง่ายๆน ะ, ะถ้านิ่ง<ะ>นานๆเนี่ย แ ล, แล้วก่อนที่หนูจะถามหลวงพ่อช่วง น, นั้นน่ะหนูหนูล็อกไว้ไหมคะได้รับค่ะปกติที่ ท, ที่ในที่หนูอยู่คนเดียวแล้วไม่อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนะคะจิตหนูก็จะเหมือนภาวนาเมื่อวานกับวันนี้ค่ะจะจะจะ ล, บลบาบลาบอะฮะดูดูนะถ้ามันลาบแล้วก็คงที่นานเลยเนี้ยคงเป็นพบอะไรสักอันหนึ่งถ้าไม่ติดอยู่ในพบเนี้ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลย แต่ถ้าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะต้องมีพบสักอันหนึ่งที่ไปติดอยู่ค่อยๆสังเกตเอาเนี่ยตรงนี้เป็นพบอันหนึง่งดูออกไหมเนี่ยเข้าไปติดในพบแล้วเข้าไปแล้วต้องไม่เข้าตรงนี้นะจำได้อยัางแล้วมันจะเข้าเองเนี่ยมันเคยชินเพราะฉะนั้นถ้าเข้าตรงนี้แล้วนิ่งตลอด เนีย่ยเข้าแล้วอยากเข้าช่องนี้ถ้าใจไหลเข้าไปรู้ทันแล้วก็ขึ้นมันจะขึ้นมาเองอย่างเมื่อกี้มันขึ้นมามันตื่นมันหลุดออกมาเนี่ยเริ่มกลับเข้าไปแล้วดูออกนะช่างเข้าไปแล้วนะเข้าไปติดพบเชิญกลับบ้านเ ห, หนื่อยวั น, วนเดียวไปถามแม่ชีก็แล้ว ก, กันนะแม่ชีเก่งนะ กูประอาะก็ได้เอาผู้หญิงไปถามแม่สีผู้ชายไปถามกูประอาะนักวิชาการไปถามอาจารย์หน่วย